พิพาญตนะสูตรว่าด้วยอภิพายัญตนะภิกษุทั้งหลายอภิพายัญตนะแปประการนี้อภิพายัญตนะแปประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบมารูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น นี้เป็นอภิพายตนะที่หนึ่ ง, งบุคคลหนึ่งมีรูปปสสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่สองสบุคคลหนึ่งมีอรูปปสสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดี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 บุคคลหนึ่งมีอรูปปัสสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่ห 6. บุคคลหนึ่งมีอรูปปัสสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้ม ครอบเมียมรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่ห 7. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบเรื่องของแดงมีสีแดงเข้มครอบเมียมรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะที่7 8 บุคคลหนึ่งมีรู ป, ปรสัญญาภายในเห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบเรือกของขาวมีสีขาวเข้มครอบมัารูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิภายตนะที่8ภิกษุทั้งหลายอภิภายตนะ8ประการนี้แหลอภิภายตนะสูตรที่ห้าจบ6วิโมกขสูตร ว่าด้วยวิโมกภิกษุทั้งหลายวิโมกแปประการนี้วิโมกแปประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกที่หนึ่ง 2. บุคคลผู้มีอรูปปัจจัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกที่สอง 3. บุคคลเป็นผู้น้อมใจไปว่างามเท่านั้น นี้เป็นวิโมกข์ที่ส 4. บุคคลบรรลุอากาสานัญญาตนะชาญโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดาปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข์ที่ส 5. บุคคลล่วงอาการสานัญญาตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะชาญโดยกำหนดว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่นี้เป็นวิโมกข์ที่ห้าก like บุคคลล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอาคินจัญญายตนะฌานโดยคำนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกข์ที่หกเจ็ด like บุคคลล่วงอาคินจัญญาญยตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาัญยตนะฌานอยู่นี้เป็นวิโมกข์ที่เจ็ด แบุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยียตินิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกที่8ภิกษุทั้งหลายวิโมกแปดประการนี้แลวิโมกขสูตรที่6จบ7อนาริยโวหา ร, รสูตรว่าด้วยอนาริยโวหารภิกษุทั้งหลายอนาริยโวหารแปประการนี้ อนารยะโวหารแปดประการอะไรบ้างคือ 1. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. าการกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าได้รู้ 5. การกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 6. การกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง เการกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 8. การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ภิกษุทั้งหลายอนาริยะโวหาร8ประการนี้แหละอนาริยะโวหา ร, รสูตรที่7จ็จบ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 การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ 5. การกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น 6. การกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟัง 7. การกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบ 8. การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้ภิกษุทั้งหลายอริยโวหาร8ประการนี้แหลอริยโวหารสูตรที่8จบเก้ ริษาสูตรว่าด้วยบริษัทภิกษุทั้งหลายบริษัท8ปจำพวกนี้บริษัท8ดจำพวกไหนบ้างคือ 1. คัติยะบริษัทชุมนุมกษัตริย์ 2. พรามณบริษัทชุมนุมพรามณ์ 3. ข้าบดีบริษัทชุมนุมข้าบดี 4. สมณะบริษัทชุมนุมสมณะ 5. จาตุมหาราชบริษัทชุมนุมเทพชั้นจาตุมหาราช 6. เดาวดึงสะบริษัทชุมนุมเทพชั้นดาวดึง 7. มาระบริษัทชุมนุมมาร 8. พรมบริษัทชุมนุมพรมภิกษุทั้งหลายเราจำได้ว่าเคยเข้าไปหาคติยะบริษัทหลายร้อยครั้ง ทั้งเคยนั่งพูดคุยและสนทนาในคตยะบริษัทนั้นกษัตริย์เหล่านั้นมีวั น, นะเช่นใดเราก็มีวั น, นะเช่นนั้นกษัตริย์เหล่านั้นมีเสียงเช่นใดเราก็มีเสียงเช่นนั้นเราชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานกล้าวกล้าปลอบชลลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาและเมื่อเรากําลังพูดอยู่ ก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้กำลังพูดอยู่นี้เป็นใครเป็นเทวดาหรือมนุษย์ครั้นชี้แจงให้กษัตริย์เหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแกล่ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมิคาถาแล้วก็หายไปและเมื่อเราหายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่หายไปแล้วนี้เป็นใครเป็นเทวดาหรือมนุษย์ภิกษุทั้งหลาย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 เราก็มีวันณะเช่นนั้นพรมเหล่านั้นมีเสียงเช่นใดเราก็มีเสียงเช่นนั้นเราชี้แจงให้พรมเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหานเกล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาและเมื่อเรากำลังพูดอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้กำลังพูดอยู่นี้เป็นใครเป็นเทวดาหรือมนุษย์ครั้นชี้แจงให้พรมเหล่านั้นเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อ า, านฐารแกล้ากล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยทำมีคถาแล้วก็หายไปและเมื่อเราหายไปแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่หายไปแล้วนี้เป็นใครเป็นเทวดาหรือมนุษย์ภิกษุทั้งหลายบริษัทแปะจำพวกนี้แหลบริษาสูรที่ 9. ก้าจบ ภูมิจารสูตรว่าด้วยเหตุที่ทําให้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะกูตาคารสาลาป่ามหาวันเคกรุงเวสาลีครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงเวสาลีเพื่อบินธบาตเสด็จกลับจากบินธบาตหลังจากสเสวยพระกรยาหันเสร็จแล้ว รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงถือนิสีธนะเราจะเข้าไปพักกลางวันที่ปาวัลเจดีท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วเธอนิสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปข้างพระปริสดางครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวัลเจดีประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ดังนี้ว่า อ น, นกลุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกะเจดีน่ารื่นรมพระหุบุตรกะเจดีน่ารื่นรมสัตตมพระเจดีน่ารื่นรมสารันธ h เจดีน่ารื่นรมปาวาลเจดีน่ารื่นรมอิทิบาสี 4, ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุดยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้ว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 เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะท่านถูกมารดนใจแม้ครั้งที่สองละถึงแม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ดังนี้ว่าอานน์กรุงเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดีน่ารื่นรมโคตมกะเจดีน่ารื่นรม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 โปรดดำรงพระชมนม์ชีพอยู่ตลอดกลับขอพระสุคตโปรดดำรงพระชนม์ชีพอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อคูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อคูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะท่านถูกมารโดนใจหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ดังนี้ว่าอานนท์ไปเถิด เธอจงกําหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิดท่านพระอานนทูลรับสนองพระดํารัสแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทําประทักษิณแล้วนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคครั้นเมื่อท่านพระอานน์จากไปไม่นานมารผู้มีบาปได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ ขอพระผู้มีพระภาคโปรโดปรินิพานเถิดขอพระสุคตโปรโดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามานผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพานตราบเท่าที่เหล่าภิกษุผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนาไม่แกล้วกล้ า, ลาไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ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 เหล่าภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเป็นพหูสูรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤตตามธรรมเรียนับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจาแนกทาให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปาฏิหาร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 ตราบเท่าที่เหล่าภิกษุณีผู้สาวิชาของเราละถึงตราบเท่าที่เหล่าอุบาสกผู้สาวกของเราตราบเท่าที่เหล่าอุบาสิกาผู้สาวิชาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนําไม่แกล้วกล้าไม่บรรลุธรรมแอมเป็นแดนเกษมจากโยคะไม่เป็นพหูสูตไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่เขอยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงทำมีปฏิหารปรับปรับประว่าที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เราอุบาสิกาผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนากล้าวกล้าบรรลุรมอันเป็นแดงกเกษมจากโยคะ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 เวลานี้พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเจริญแพร่หลายกว้างขวางรู้กันโดยมากเป็นเปิกแผ่นกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรโดปรินิพานเถิดขอพระสุคตโปรโดปรินิพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า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 ขนพองสยองกล้าวทั้งกรองทิพก็ดังกึกกล้องครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นดังนี้ว่ามุนีละกรรมทั้งที่ช่างได้และช่างไม่ได้อันเป็นเหตุก่อกำเนิดเป็นเครื่องปรุงแต่งพบได้แล้วยินดีในภายในมีใจมั่นคงทำลายกิเลสที่เกิดในตนได้เหมือนนักบทาลายเกราะได้ฉะนั้น ลำดับนั้นท่านพระอานน์ได้มีความคิดดังนี้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆน่าจะเพึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพก็ดังเึกก้องอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงต่อมาท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร เดีกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้องอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน o ์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 สสมณะหรือพรามผู้มีฤทธิ์เชี่ยวชาญทางจิตหรือเหล่าเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้เจริญปัตวีสัญญานิดหน่อยแต่เจริญอาโปสัญญาจนหาประมาณไม่ได้จึงทำให้แผ่นดินนี้ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สองที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 3. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจติจากพบดุสิต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 คราวที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินนี้ก็ไหวสันสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่ห้าที่ทําให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 6. คราวที่ตถาคตประกาศ ธ, ธรรมจักอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่หที่ทําให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง7 คราวที่ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปรงอายุสังขารแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่เจ็ดที่ทําให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง8ปคราวที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่แปดที่ทําให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอานน์ เหตุปัจจัยแปประการนี้แหละที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงภูมิจารสูตรที่10จบภูมิจารวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อิชฉาสูตร 2. อลังสูตรสาสังคิตตสูตร 4. ขยาศีสะสูตร 5. อภิภายตนะสูตร 6. วิโมกขสูตร 7. อนาริยโวหา ร, รสูตร 8. อริยโวหา ร, รสูตร 9. ปบริษาสูตร 10. ภูมิจา ร, รสูตร mm hmm. 3. ยะมะกะวัก หมวดว่าด้วยทำคู่กันหนึ่งปฐมสัท ธ, ธาสูตรว่าด้วยศรัท ธ, ธาสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัท ธ, ธาแต่ไม่มีศีลเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่สมบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้เธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัท ธ, ธามีศีล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 ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและเป็นพหูสูดเมื่อนั้นเธอจึงชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์เ้วยองนั้นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและเป็นพหูสูดแต่ไม่เป็นธรรมกรถึกและถึงเป็นธรรมกรถึกแต่ไม่เข้าไปสู่บริษัทเข้าไปสู่บริษัทแต่ไม่แกล้ากล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแกล้ากลาแสดงธรรมแก่บริษัท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 และทาให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อใดภิกษุ 1. มีศรัทธา 2. มีศีล 3. เป็นพระหูสูตร 4. เป็นธรรมกะถึก 5. เข้าไปสู่บริษัท 6. กกล้าวกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท7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 ภิกษุประกอบด้วยทาแป่ประการนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสได้รอบด้านและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้ง ป, งปรมม่งปฐมสัตธาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยสัททาสูตรว่าด้วยสัตทาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลเธอเชื่อว่า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 เป็นธรรมกระถึกแต่ไม่เข้าไปสู่บริษัทเข้าไปสู่บริษัทแต่ไม่กล้ากล้าแสดงธรรมแก่บริษัทกล้ากล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ได้สัมผัสสันตะวิโมกไม่มีรูปเพราะล่วงรูปท uh uh> uh uh> uh> uh ั้งหลายได้ดืวอกายอยู่และถึงได้สัมผัสสันตะวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปทั้งหลายได้ด้วยกายอยู่แต่ไม่ทาให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ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 มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเธอทั้งหลายเจริญมรณสติอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่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 เราพึงมานิสการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิดให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหลภิิษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัถามว่าภิกษุเธอเจริญมรณสติอย่างไรภิษุกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋เนอเราพึงเป็นอยู่ได้กึ่งวันเราพึงมานาสการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหลภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่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 เธอจเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋เนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคําข้าวสถึงห้าคำเราพึงมานักสุการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากหนอข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้แล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 เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปที่เจริมมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋เนอเราพึงเป็นอยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมณนาสการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทากิจให้มากหนอภิกษุรูปที่เจริมมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋นเราพึงเป็นอยู่ได้วันหนึ่ง เราพึงมนัสการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากหนอภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้ตึงวันเราพึงมนัสการถึงคําของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากนหนอภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนาเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะชั้นบินทบาทมือหนึ่ง เราพึงมนศิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทากิจให้มากเนาะภิกษุรูปที่จเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอหนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขนณะชั้นบินทบาทครึ่งหนึ่งเราพึงมนศิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทากิจให้มากหนอะภิกษุรูปที่จเจริญมรณาสติอย่างนี้ว่าโอหนอ เราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวส5คําคำเราพึงมนุิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าภิกษุทั้งหกรูปนี้ยังเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณาสติอย่างเพลีวเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่า โอ๋เนาเราเพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวหนึ่งคำเราเพึงมนสษยการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราเพึงทำกิจให้มากหนอและภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋นอ oh no. เราเพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราเพึงมนสษการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงทำกิจให้มากหนาะภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จเจริญมรณะสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอานนี้ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จากจเจริญมรณะสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั NAS ้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แหละบทมมรณสติสูตรที่สจบ